คนที่มาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโต ม, มีเหตุผลหลากหลายเนี่ยในการมาที่นี่บางคนมาปฏิบัติเพราะว่าบ่นเอาไว้นะีย <c oughs> อยากจะแก้บน่นอาจจะหายเจ็บหายป่วยหรือว่าสอบเข้าสมัครงานได้ก็บ่นเอาไว้แล้วก็มาแก้บน่นด้วยการปฏิบัติบางคนก็ มาปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับอุปการีที่ร่วงรับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาปฏิบัติก็เพราะหวังความสงบความสงบที่ว่าคือความสงบในจิตใจเวลาวพูดถึงความสงบในจิตใจหลายคนก็นึกถึงการที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจรวมทั้งไม่รับรู้อะไร เพราะว่าถ้าเกิดไปรับรู้อะไรขึ้นมามันก็จะเกิดความคิดหรือเกิดอารมณ์ซึ่งเคยทาให้ไม่สงบในวิธีทําให้ใจสงบเนี่ยในความเข้าใจของหลายคนก็คือว่าต้องอยู่นิ่งๆนั่งหลับตาถ้าไม่พอก็พยายามบังคับจิตเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คิดหรือว่าใช้อุบายในการผูกจิตไว้ ให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะได้ไม่ไปทะเลทลออกไปโน่นคิดนี่เช่นผูกจิตเอาไว้กับคำบริกรรมนะมีคำบริกกรรมเพื่อผูกจิตเอาไว้ให้มันอยู่นิ่งๆหรืออาจจะมีการนับนะรวมทั้งการเพ่งด้วยนะ หรือบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบ้างให้อยู่กับท้องที่พองยุบบ้างหรืออยู่กับเท้าที่ก้าวเดินแลว้วพวกนี้เป็นอุบายเนี่ยเพราะว่าปรารถนาให้ใจเนี่ยไม่มีความคิดแล้วพอใจไม่มีความคิดเกิดขึ้นก็จะรู้สึกได้ถึงความสงบเหมือนกับ ทะเลที่ไม่มีลมพัดนะมันก็ไม่มีคลื่นหลายคนก็ปรารถนาให้จิตเป็นอย่างนั้นในเวลานึกถึงความสงบใจเนะี่ยก็ก็คิดว่าเนี่ยทำไงก็ได้เพื่อไม่ให้ไม่มีความคิดเกิดขึ้นในใจหรือว่าไม่ต้องไปรับรู้อะไรปิดตาปิดกระจกหน้าต่างปิดโทรศัพท์มือถือ อยู่ในห้องคนเดียวอันนี้ก็เป็นอุบายหรือเป็นวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้จิตเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยการที่จิตจะสงบได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีความคิดเท่านั้นนะมีความคิดเกิดขึ้นก็ได้แต่ใจก็ยังสงบได้ ถ้าทำได้ยังไงนะก็ทำได้ด้วยการที่รู้ทันความคิดนะความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันถูกรู้ถูกเห็นนะด้วยสติเนี่ยมันก็ไปจู่จับหรือว่าบงการจิตนะให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้นะจิตเนี่ยไม่ใช่ว่า พอมีความคิดเกิดขึ้นนี่มันจะว้าวุ่นกระสรับกระส่ายหรือว่าเป็นทุกข์ทันทีเสมอไปนะี่ไม่ใช่มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าใจก็ยังนิ่งอยู่ได้นะเพราะว่าไม่ไปยึดนะไม่ไปกลุมความคิดหรือไม่ไปหรือไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดนะั้นเราควรจะรู้นะวิชานี้บ้าง วิชารู้ทันความคิดแล้วจิตก็ยังสงบได้หรือวิชาทำความสงบให้กับใจแม้ว่ายังรับรู้สิ่งต่างๆเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะไม่มีความคิดไปเลยเนี่ย อาจจะไม่มีความคิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีความคิดเกิดขึ้นแม้กระทั่งขณะที่หลับตาแม้กระทั่งขณะที่เก็บตัวอยู่คนเดียวและยังไม่ต้องพูดถึงเวลาออกจากนะการปฏิบัติเปิดตากลับบ้านนะไปอยู่กับกลับไปสู่โลกกว้าง มันก็ต้องรับรู้อะไรต่ออะไรมากมายที่จริงรับรู้ตั้งแต่ลืมตาแล้วรับรู้ตั้งแต่อยู่ในห้องพระและ้วอยู่ในห้องสมาธิแล้วยิ่งออกจากห้องสมาธิมันก็จะรับรู้อะไรต่ออะไรมากมายซึ่งสามารถจะกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งทั้งยินดียินร้ายทั้งฟูทั้งแฝบทั้งบวกและลบ ถ้าเราไม่รู้ไม่มีวิชาในการรู้ทันความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ค, อความคิดมันก็จะไปเกาะกลุ่มจิตใจหรือไปปรุงแต่งใจให้เกิดความว้าวุ่นฟุง้งซ่านหรือเกิดความหงุดหงิดกังวลเกิดความพิตกหนักอกหนักใจสารพัดพูดง่ายคือจิตไม่สงบแล้ว จะหวังพึ่งความสงบโดยที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นหรือโดยไม่รับรู้อะไรนี่อันนี้มันไม่พอนะความสงบแบบนี้มันก็จะเป็นความสงบที่ชั่วคราวและเปราะบางมากเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการลืมตารับรู้สิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่ทางตจแื่ทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกาย รวมทั้งความคิดที่เกิดขึ้นด้วยถ้าความสงบที่เรารู้จักมันคือความสงบที่ไม่มีความคิดหรือไม่รับรู้เท่านั้นเนี่ยนะมันก็เป็นความสงบที่เปราะบางเราต้องรู้จักความสงบที่เกิดจากการรู้ทันความคิดหรือความสงบที่เกิดขึ้นได้แม้จะรับรู้สิ่งต่างๆางทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจจะทงนี้ได้เนี่ยก็ทำ ก็เกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราฉลาดแล้วก็ไวในการรู้ทันความคิดและไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดนั้นรวมถึงรู้ทันอารมณ์ด้วยเพราะว่าอารมณ์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดคิดลบใจก็หงุดหงิดคิดถึงความสูญเสียก็เกิดความเศร้าโศกคิดถึงการงานที่ยังค้างคาอยู่ก็เกิดความกังวล คิดถึงความแม่นแน่นอนของอนาคตก็เกิดความวิตกให้ความคิดเนี่ยมันก็สามารถจะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์แต่ว่าไม่ได้ไหมายความเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันจะบงการครอบงํากํากับหรือว่าทําร้ายจิตใจได้มันยังทําไม่ได้นะถากว่าใจนั้นมีสติรู้ทันเพราะพอรู้ทัน มันก็เกิดการปล่อยการวางมันก็เกิดภาวะที่เป็นอิสระจากความคิดอะไรที่เป็นอิสระคือจิตนะความคิดมันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เกิดทุกข์นะและที่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เนี่ยก็เพราะว่ามันหลงมันหลงก็คือไม่มีสติมันก็ไปยึดว่าความคิดที่เป็นเราเป็นของเรา เกิดความยึดติดเกิดความถือมั่นหรือว่าตามมาด้วยการปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดและอารมณ์เหล่านั้นันนั่นแหละนะที่มันจะมาบงการจิตใจให้เป็นทุกข์ให้กระลุ่มให้วิตกให้ร้อนรุ่มให้โกรธแค้นนั่นต้องฝึกเอาไว้นะฝึก ในการฉลาดและไวในการรู้ทันความคิดและอารมณ์และที่เรามาฝึกเนี่ยก็เพื่อวิชานี่แหละและการรู้ทันเนี่ยนะมันรู้เองนะไม่ใช่ว่าจะไปบงการให้มันรู้ทันอยากจะรู้ทันแต่ว่ามันก็ไม่รู้ทันหรอกนะ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราการรู้ทางความคิดเนี่ยมันมันรู้เองนะมัน ค, คล้ายๆกับเวลาเราทำอะไรสักอย่างเพลินเพลินแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีนัดนะกับเพื่อนนะหรือเรามีนัดจะต้องโทรศัพท์ไปถึงแม่ถามว่ามันนึกขึ้นมาเองได้มันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้่ามันนึกมาเอง มันนึกได้เองหรือว่ากาลังนั่งพักผ่อนอยู่เพลินๆก็นึกขึ้นมา ไ, าได้ว่าได้เวลาทำวัดแล้วมันนึกขึ้นมาได้ยังไงเราไม่รู้นะมันนึกขึ้นมาได้เองแต่บางคนอาจจะนึกก็ต่เมื่อมันล่วงเลยเวลาไปมากแล้วเลยเวลานัดไปแล้วถึงค่อยนึกได้ว่ามันเปนัดเขาไว้สี่มงเย็นนี่มันหกโมงเย็ น, น, น, ยนทุ่มหนึ่งแล้ว ไอการนึกขึ้นมาได้เนี่ยนะมันนึกขึ้นมาเองไอการรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันมันรู้ได้เองนะจะเรียกว่ามันเป็นความระลึกได้ก็ได้เพียงแต่ว่าไอความระลึกได้ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะระลึกได้ กับเรื่องที่มันนอกตัวเช่นนัดคนเอาไ ว, ไ ว, าว้ได้เวลาทําวัดได้เวลาที่จะต้องอโทรศัพท์ไปหาใครต่อใครมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะนอกตัวสักหน่อยแต่ว่าไอ้นึกขึ้นมาได้เองหรือรู้ทันเองเนี่ยนะมันเป็นความนึกขึ้นมาได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรานั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันคือสติชนิดพิเศษนะที่เรียกว่าสัมมาสติ ซึ่งก็สัมพันธ์กับสติปัฏฐานสติความระลึกได้นะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วระลึกได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรระลึกได้ว่าเมื่อเช้าได้ฟังธรรมเรื่องอะไรนหะมันเมื่อเช้านะแต่นึกขึ้นมาได้เป็นเรื่องอดีตหรือไม่ชนะก็เป็นเรื่องนอกตัวนะจำได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนจาได้ว่ากุฏิอยู่ที่ไหน พอเดินลงออกจากหอตก็ตรงไปยังที่วางรองเท้าได้เลยเพราะจำได้หรือพอใส่รองเท้าเสร็จก็ตรงไปที่ที่พักเลยเพราะจำได้อันนี้คือสตินะแต่เป็นสติธรรมดาจะเรียกว่าสามัญสติก็ได้แต่สติที่เรามีกันน้อยเนี่ยแล้วก็สําคัญมากนะก็คือสติที่ทําให้เราเราลือกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เป็นความระลึกได้ในเรื่องใจเรื่องกายและมันเป็นสติชนิดเดียวกันกับการที่ทำให้เรารู้ทันความคิดเพราะพารู้ทันความคิดเข้าเนี่ยมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้กำลังใจตอนนี้กำลังฟังธรรมะแต่บังเอินใจลอยคิดไปเจ็ดเรื่องแล้วอยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้เองว่าใจลอย มันเห็นความคิดความคิดสุดท้ายที่ที่เพิ่งคิดอาจจะยังไม่ทันจบดีด้วยซ้ำอันนี้เรียกว่ารู้ทันนะและรู้ทันมันก็มาพร้อมกับที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ลืมไปเลยนะว่าเมื่อกี้กำลังฟังทำแต่ว่าตอนนี้นึกขึ้นมาได้นะว่าเรากำลังฟังทำ หรือตอนสวดมนต์ก็เหมือนกันนะตอนที่สวดมนต์เนี่ยก็ลืมไปเลยนะว่ามันจะมีบางช่วงที่ลืมไปเลยนะว่ากำลังสวดมนต์เพราะใจลอยคิดนอนคิดนี่แล้วจู่ๆมันก็รู้ทันขึ้นมาเองพอรู้ทันขึ้นมาเองก็ระลึกขึ้นได้ในลําดับต่อไปว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่จิตมันก็กำ ม, มาสู่ปัจจุบันอันนี้เรียกว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการที่เรารู้ทันความคิดเห็นความคิดและเป็นการรู้เองเห็นเองบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ว่าฝึกได้นะฝึกได้จากการทํบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆมันจะรู้ได้ไวขึ้นมันจะรู้ได้เร็วขึ้นจากใจลอยไป5นาที8เรื่อง9เรื่อง ทำบ่อยๆทำบ่อยๆ <c oughs> พอคิดไปได้ห้าเรื่องมันก็รู้แล้วหรือพอหรือพอคิดไปได้สองสมเรื่องก็รู้แล้ว ร, ออ ร, ออไไ 2, รู้ทันความคิดความคิดสุดท้ายที่ที่กําลังปรุงแต่งนะี่นะนะมันจะไวขึ้นมันจะไวขึ้นไวขึ้นแล้วครั้นนี้พอรู้ทันความคิดแล้วนะเห็นความคิดแล้วเนี่ย สิ่งที่ต้องฝึกต่อไปนะั่นคือรู้ซื่อๆนะคือรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นในใจรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจนะแต่แทนที่จะเข้าไปผักใสไล่ส่งมันแทนที่จะไปราวีกดคมมันก็แค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆคือรู้แล้วเฉยนะหรือรู้เฉยๆไม่ผักใสไม่ไหลาตามไอ้ไหลาตามนี่ก็ไม่ไดีอยู่แล้วนะ แต่ว่าไอ้ผักสายกดขมมันก็ไม่ดีเหมือนกันทาไมถึงไม่ดีแนะ้วเพราะว่ามันได้ผลชั่วคราวมีความคิดใดเกิดขึ้นยิ่งเป็นความคิดที่มันฟุง้งมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องมากเนี่ยอาจจะ ก, กดข่มมันได้แต่เดี๋ยวเดียวเผลอมาแล้วก็โผล่มาใหม่อารมณ์ก็เหมือนกันนะความโกรธเนี่ยนะบางทีเรากดข่มมันได้นะ จะกดได้ไประเดี๋ยวเดียวเพิมเมื่อไหร่โผล่เมื่อใหม่บางทีอาจจะหายไปเป็นวันแต่ว่าไม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันซุกซ่อนอยู่เรียกว่าเกิดอาการอัดอัน้นอัดมาก ๆ, ๆเข้าอัดมาก ๆ, ๆเข้าวันดีคืนดีก็ระเบิดนะเกิดอาการปริแตกอาการปริแตก ก, ก็เกิดจากการที่ไปกดข่มความโกรธเอาไว้มันไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแต่รอวันระเบิดออกมาถ้ามันเมื่อมันได้สะสม มวลความโกรธได้มากๆนะให้เราจึงไม่วิธีการกดข่มด้วยการหรือการผักใสเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นวิธีาการจัดการกับอารมณ์ที่ดีผักใสก็ไม่ดีไหลาตามก็ไม่ใช่แล้วทางออกอยู่ที่ไหนทางสายกลางมีอยู่นะคือรู้เฉยๆนะซึ่ง มันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอรู้แล้วถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ทำให้ทุกข์ก็จะไปกดข่มมันมันอดรนทนไม่ได้ในการที่จะรู้เฉยๆได้นี่มันเกิดต้องมีการฝึกนะฝึกหรือว่าการสร้างเห็นสร้างปัจจัยเช่นถ้าเราเห็นด้วยสตินะถ้าเป็นสติที่มีกำลังพอเนี่ย มันก็จะรู้สื่อสื่อหรือรู้เฉยๆได้เพราะว่าพอมีสติเนี่ยมันจะเห็นแล้วเกิดอาการที่เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นกลางนะไอ้ที่อยากจะเข้าไปกดข่มผักสายเพราะว่ามันมีอาการรังเกียจอารมณ์หรือความคิดเหล่านั้นรังเกียจเพราะรังเกียจเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วทุกข์หรือว่ารังเกียจเพราะไม่ชอบหรือรังเกียจเพราะไม่ดีนะคนที่ เจอความโกรธบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกมันรุ่มร้อนเพราะฉนั้นพอร่วมมันเกิดขึ้นในใจก็ก็จะรังเกียจมันเพราะว่ามันทําให้ทุกข์หรือว่าเห็นว่ามันไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติทําไมเรายังโกรธอยู่นะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทําไมเรายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ทำไมเรายังมีราคะมีความกําหนัดอยู่อ่า พอมันเกิดความรังเกียจแนี้มันก็เข้าไปวิ่งเข้าไปจัดการกดขม่มนอกจากจะไม่สำเร็จหรือได้ผลชั่วคราวแล้วมันก็ยังทำให้เกิดทุกข์ด้วยเพราะว่ายิ่งกดข่มเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดอาการเครียดเพราะว่ามันไม่หายไปนะกดข่มอยากจะให้มันหายแต่มันไม่หายก็ยิ่งต้องพยายามหนักขึ้นพยายามแล้วมันก็ยังไม่สาเร็จก็ยิ่งหงุดหงิดนะ เกิดความเครียดขึ้นมาบางคนโมโหตัวเองเอารองเท้าแตะฟาดหัวจำมันมคิดมากแบบนี้คิดมากแบบนี้นี่พ่อพยายามกดข่มความคิดบางคนนี่ถึงกับทุบออกตัวเองนะมันมันรู้เครียดมากเหลือเกินพอเครียดแล้วไม่รู้ทันความเครียดหรือว่ารู้แต่ว่ามันไม่ได้รู้เฉยเฉยมันก็ไปกดข่มมันมีอาการรังเกียจมีอาการไม่ชอบจึงนาไปสู่การผักใส แต่ว่ามันไม่ไปผิดหวังเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธทุบอกตัวเองก็มีนะบางคนก็ตัวแข็งไปเลยก็มีอาการสาราพัดพวกนี้มันแสดงว่าวางใจไม่ถูกต้องและส่วนใหญ่มันเป็นเกิดจากการที่ไปไปเพ่งไปเพ่งจิตบังคับใจหรือไปกดข่มความคิดทีแรกก็บังคับจิตก่อนเพื่อไม่ให้ความคิดออกมาแต่พอความคิดออกมาแล้วก็ทนไม่ได้ก็ไปกดข่มมัน นี่เพราะว่าไม่รู้จักนะวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้ซื่อๆและการที่คนเราจะรู้ซื่อๆได้เนี่ยนะรวมทั้งรู้เฉยรู้ทันเนี่ยความคิดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือว่าเราต้องยอมให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นต้องยอมนะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปห้ามมัน ทำไมถึงยอมทำไมไม่ต้องห้ามเพราะว่าเราต้องอาศัยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดสำหรับสติให้ฝึกการรู้ทันเราอยากจะฝึกวิชารู้ทันความคิดก็ต้องยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นจึงจะได้ฝึกวิชานี้มีความคิดเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นจึงได้รู้ทันความวิลาอารมณ์ อยากจะฝึกให้รู้ทันไวัก็ต้องยอมให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใดก็ตามแล้วมันไม่ใช่เพื่อการฝึกอย่างเดียวนะแต่มันยังช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นนั่นก็เพราะเรารังเกียจมันเรารังเกียจความคิดและอารมณ์ แห่ือเพราอความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เชิญเพราะเราจะมองว่ามันทำให้เราไม่สงบพอรังเกียจมันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการต่อต้านผักใสเกิดการกดข่มแล้วพอไม่สำเร็จก็เกิดความทุกข์พอทุกข์ก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งเกิดความรังเกียจยิ่งเกิดความรังเกียจก็ยิ่งเกิดการจดจอ่อพอจดจ่อเข้า ตามด้วยการผักใสไม่สําเร็จก็ทุกมันจะวนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละเราอังเกตนะเวลาเราไม่ชอบอะไรเรารังเกยียจอะไรเนี่ยใจเราจะจดจ่อสิ่งนั้นมากเลยเช่นเราไม่ชอบเสียงดังเรารังเกยียจคนพูดคุยกันในห้องประชุมเรารังเกยียรเสียงโทรศัพท์เสียงดึงโทนในขณะที่กําลังอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมอะไรที่เรารังเกยียรเนี่ยนะ จิตมันจะจดจ่อสิ่งนั้นเป็นพิเศษมางอาจจะเป็นเสียงบางอาจจะเป็นกลิ่นยิ่งรังเกียจยิ่งจดจ่อยิ่งจดจ่อยิ่งผักสายยิ่งผักสาก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเกิดความเครียดยิ่งเกิดความเครียดยิ่งเป็นทุกข์ก็ยิ่งเกิดความรังเกียจยิ่งเกิดความรังเกียจก็ยิ่งจดจ่อมันจะเป็นว่าจับอะไเนี้ยและไม่ใช่เฉพาะเสียงจากภายนอกที่เรารังเกียจนะบางทีความคิดและอารมณ์หลายอย่าง พอเราังเกียร์แล้วเราก็พยายามกดข่มมันกดข่มไม่สำเร็จเกิดความทุกข์แต่ในทางตรงข้ามถ้าเรายอมนะยอมให้มันเกิดขึ้นเราก็จะมีอิสระนะเหนือความคิดและอารมณ์นั้นพอพอเรายอมนะนอกจากความคิดและอารมณ์ต่างๆจะผุดขึ้นมาเพื่อเป็นการบ้านหรือแบบฝึกหัดให้กับส ต, ติ ในการฝึกรู้ทันแล้วมันยังใช้ในการฝึกให้รู้ซื่ออได้ด้วยนะพอเราฝึกรู้ซื่ออได้จนเป็นนิสัยนะมีความคิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ซื่อคือรู้ด้ดยใจที่เป็นกลางอารมณ์นั้นความคิดนั้นมันก็จะค่อยดับบูไปเหมือนกับไฟที่พอไม่มีการเติมเชื้อให้มัน นะมันจะลุกโผลงได้อีกไหมมันก็ลุกไม่ได้มันก็จะค่อยๆดับไปและดับเร็วด้วยการที่เรารู้ซื่อๆหรือดูเฉยๆเนี่ยก็คือการที่เราไม่เติมเชือ้อเติมฟื้นให้กับกองไฟนะารตรงข้ามถ้าเราไปราวีกับมันนะด้วยความรังเกียจก็เท่ากับว่าเราไปเติมเชือ้อเติมฟื้นให้กับมันมันก็ยิ่งลุกโผลงก็ไปใหญนะ่ก็คือเพิ่มความทุกให้กับใจของเรา อยากได้ความสงบแต่กลับได้พบสิ่งตรงข้ามเพราะว่าพออยากสงบก็อย่าไปก็หลายคนก็จะคิดถึงการไปกดข่มความคิดและอารมณ์แต่ยิ่งทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งเติมเชือ้อเติมฟืนให้มันมันก็เป็นการต่ออายุความคิดและอารมณ์หรือพูดก็คือต่ออายุความทุกยิ่งอยากได้ความสงบนะกลับไม่สงบนะกลับงุนงดลําคากับโมโหตัวเองกับรุ่มร้อน จนลืมตัวเอาลองเต้าลองท้องแต่ฟาดหัวเอากวาปั่นทุบ อ, อกหรือตัวแข็งเนี่ยไม่ปฏิบัินี่ยังมีความสุขกว่าแต่พอปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยมันกลับทุกข์ยิ่งกว่า เ, เสร็จแล้วก็ไปโทษ ว, ว่าปฏิบัตนะิการปฏิบัติไม่มีผลนะการปฏิบัติมันก่อทุกข์ จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันมีผลนะถ้าปฏิบัติถูกแต่ถ้าปฏิบัติผิดมันก็ก่อทุกข์ขึ้นได้เมื่อขับรถนะขับรถถขับเป็นนี่มีประโยชน์นะแต่ถ้าขับไม่เป็นนี่มันเกิดโทษมากมายงั้นเวลาเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราถ้าวางใจได้ได้ถูกนะยอมให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ยอมแล้วปล่อยใจไหลไปตามความคิดและอารมณ์นะสิ่งที่เราทำคือมารู้ทันมันแล้วพอรู้แล้วก็รู้แบบเฉยเฉยรู้ซื่อซื่อเมื่อทาให้เราเป็นจิตใจงเราเป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์นะไม่ใช่มันไม่เกิดขึ้นถนะ่ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะใจเป็นอิสระใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยว พอใจเป็นอิสระจากความคิดละอารมณ์นะก็เท่ากับว่าเราเป็นอิสระจากสิ่งเรา้าสิ่งกระทบเพราะว่าสิ่งเราสิ่งกระทบเนี่ยมีที่พลต่อเราได้ก็เพราะมันกระตุ้นให้เกิดความคิดและอารมณ์เช่นสิ่งเย้าวยวนก็กระตุ้นให้เกิดความอยากสิ่งยั่วยุกระตุ้นให้เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดแล้วความอยากก็เข้ามาครอบงําใจและความหงุดหงิดก็ครอบงําใจถ้าเราหลงถลาเาไม่เป็นสติ แต่ถ้ามีสติมีความสึกตัวนะแม้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมันก็ทำอะไรใจไม่ได้แม้จะมีความโรคความโรคเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นก็ทำอะไรใจิตใจไม่ได้เพราะเราดูมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นป น, นั้นเราก็เป็นอิสระจากมันนะและพอเราเป็นอิสระจากความคี้รอารมณ์เหล่านี้ก็เท่ากเราเป็นอิสระจากสิ่งกระทบหรือสิ่งยั่ ว, ย, ว, วยุอะไเยาหยวนย ทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะสิ่งกระทบนะสิ่งยัออย่วยุหรือว่าสิ่งเ ย, ย้ายวนมากมายนะและนี่แหละเป็นเพราะเราไม่มีสติไม่รู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ถ้าเรามีสตินะรู้จักรู้ทันความคิดแล้วก็รู้แบบรู้สื่อเนี่ยเราก็จะม่อิสระจากสิ่งกระทบหรือว่าสิ่งกระตุน้นราจากภายนอกได้มากขึ้นถึงตอนนั้นเราก็จะอย่างเราก็จะรู้สึกสงบได้แม้เสียงจะดัง แม้ผู้คนจะรอบตัวจะทำตัวไม่น่ารักนะแต่ว่าใจเราก็ยังสงบได้นี่เรียกว่าสงบแม้จะรับรู้โลกภายนอกหรือสงบแม้ว่าจะยังมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเรามีสติรักษาใจไม่ให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมาก่อความปนเปืวอนให้กับใจ น, นี่เป็นความสงบชนิดที่เราควรจะรู้จักนะเพื่อที่เราจะได้กลับไปสู่โลกภายนอกได้ด้วยใจที่ไม่เหมือนเดิม